ติสัลลนีนัสหาอาทังขะสัมมาคตังุโบสัทัทงยาจามะดุติยัมปิมยังพันเตติสัลลนีนัสหาอาทังขะสัมมาคตังุโบสัทงังยาจามะ ตตดยัมปิมยางพันเตติสรรเนนัสฮาทังขะสมนาขะทังอุบบสทังยาจามะตั้งใจสมาทานศีลวันนี้เป็นวันที่ส6หกันยายนพุทธศักราช2 5งหรยห้าสบเจ็ วันนี้เป็นวันแรม8ดค่ำเดือน10เมื่อกี้เนี่ยเดือนสิบเพนแต่วันนี้เป็นแรม8ปดค่ำเป็นวันสมาทานหรือว่าเป็นวันรักษาศีลอุโบสถของพวกเราเป็นอุโบสถที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเพราะว่าสามเดือนภายในสามเดือนก็เราจะรักษาศีลอุโบสถ เป็นวันพระอยู่เพียง12วันส 3, ่สาสองสิบวันพระวันนั้นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งในส2วันนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่าได้ขาดตกบกพร่องในการสมาทานหรือรักษาศีลภายในพรรษาที่พวกเราได้ตั้งสัจจะความจริงจังและจริงใจสัจจะอธิษฐาน ไว้ว่าจะรักษาสินหรือจะประกอบคุณงามความดีในพรรษาสามเดือนที่เราได้ตั้งใจเอาไว้มีอะไรบ้างก็พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้รู้แก่ใจว่าได้ตั้งใจอนันไไนไว้บ้างแต่บางท่านเขาเออจะรักษาวัวสดรักษาสินแปดในช่วง เหตุการณ์เข้าพรรษาสามเดือนสิบสองวันจะไม่ให้ขาดหรือบางท่านก็เอาข้าพเจ้ายังมีภาระธุรกิจจะต้องจัดต้องทำข้าพเจ้าจะรักษาสินห้าทุกวันพระไม่ให้ขาดหรือข้าพเจ้าจะรักษาสินอุโบสถตลอดไตรมาสสามเดือนหรือจะรักษาสินห้าตลอดไตรมาสสามเดือนอันนี้ก็ ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าในแต่ละท่านแต่ถึงยังไงสรุปแล้วก็คืออย่าให้ขาดตกปกพ่องอย่าให้โกหกตัวเองเพอตั้งขึ้นมาแล้วก็โกหกตัวเองอยู่ตลอดแต่คนอื่นโกหกเนี่ยโอ้โโกรธให้เขาหัวฟัดหัวเวียงว่าเขาโกหกตัวเองแต่พรเองเพราะตัวเองตั้งกรรมสัตย์ ต่อหน้าพระประธานาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังไปโกหกตัวเองเอยังหัวเราะแห่แหเพราะเหุเอะไรเพราะโกหกตัวเองใช่เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะ อ, อันนี้พวกเราต้องมีความสัตว์จริงคนที่จะดีได้ต้องมีมันต้องมีสัตว์จริงสัก์จระและความจริงจังและจริงใจจึงจะเป็นคนดีได้ถ้าคนหลอแหลกทาอะไรไม่มี ไม่มีความสัตย์ความจริง น, นัดีไม่ได้นะเอาโลกอยู่ทั้งโลกก็ดีไม่ได้คนที่หล่ะแหละนะไม้ปักคีเลนถ้ามาทางธรรมก็ดีไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นเราถ้าจะเป็นคนดีในชุมชนสังคมในประเทศชาติเราต้องเป็นผู้มีสัจจะพิจารณาดีแล้วจึงตั้งสัจจะพิจารณาถี่ถ้วนแล้วจึงได้ตั้งใจ ได้พูดกล่าวออกมาเป็นคำํำไม่ใช่ว่าพ่อคิดอยากจะพูดอะไรก็พูดคิดอยากจะทําอะไรก็ทำํำอย่างนั้นแปลว่าคนไม่มีกฎเกณฑ์ใช่ไม่ได้นะศรัทธาญาติโยมลูกหลานน ะ, ะเพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรต้องคิดให้ดีเมื่อคิดดีแล้วนั่นแหะเราค่อยทําทำโดยตั้งโดยความตั้งใจทําด้วยความจริงจใจและจริงใจเว้นเสียแต่ว่า ออฆ่าเนะี่ยคิดอยากจะขโมยเขาคิดจะไปพ่นเขาคิดจะฆ่าเขาเอออันนั้นแปลว่าเราเปลี่ยนใหม่ได้ความชั่วนะนะความชั่วเราควรจะเปลี่ยนใจใหม่ได้เมื่อเราเ อ, อไปทําให้กับเขาแล้วเนะี่ยไปทําสิ่งเหล่านั้นแล้วเนะี่ยเราติดคุกนะวะกี่ปีวะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสามีภรรยาของของเราจะทํำยังไงในช่วงนั้นนะต้องคิดให้ถี่ถ้วนนะ ถ้าคิดทีทั่วเนี่ยยศอยากไปทําสิ่งที่มันไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดีถ้าสิ่งที่ดีน่นควรจะตั้งสัจจะอธิษฐานขับเคลื่อนไปเลยเมื่อเราวิ่งลงถนนวิ่งรถในถนนน่ะถ้ามันวิ่งไปตามถนนกับวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางใช่ไหมล่ะอถ้ามันวิ่งวิ่งลงข้างถนนน่ะเราจะไปตั้งสัจจะหักพวงมาลังยลงข้างถนนได้ยังไงไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น ถ้ามันลงข้างถนนแล้วตัวเองจะตลอดปลอดภัยหรือเปล่าเขาไม่รู้อันตรายนะเพราะนั้นการทาความชั่วก็เหมือนกับหักพวงมาลัยลงข้างถนนอย่างนั้นนะถ้าเราทำคุณงามความดีเราจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราคิดดีแล้วนะเหมือนกับรถวิ่งในถนนไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจเอาไว้นะถ้าต่อ น, นี้ไปตั้งใจสมาทานศีล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 ธรรมังสระนางคัจฉามิสังขังสระนางคัจฉามิสังขังสระนางคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสระนางคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสระนางคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสระนางคัจฉามิทุติยามปิสังขังสระนางคัจฉามิ ทุติยามปิสังขังสระนังคัจฉามิตาติยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยามปิธรรมังสระนังคัจฉามิตาติยามปิธรรมังสระนังคัจฉามิตาติยามปิสังขังสระนังคัจฉามิ ตาติยมปิสังคังสารนังขจามิสรนาคมานังนิธิตังสาธุอามะพันเตปานาติปาตาเว ร, รมะนีสิกขาปะทังสัมาทิยามิปานาติปาตา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 <ส>อพรมจร er. ิยาเวรมณีสิกขาปะทางสัมาทิยามิอพรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิโมษาวาธาเวรมณีสิกขาปะทางสัมาทิยามิโมสาวาคา เวรมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิสุราเมระยะมัชชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสัมาทิยามิสุราเมระยะมัชชะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสัมาทิยามิผู้รักษาศีลห้าจบเพียงเท่านี้ วิการโผชนาเวรมณีสิกขาปะทางสัมาทิยามิวิการโผชนาเวรมณีสิกขาปะทางสัมาทิยามินัจขีตวาทิตวิสูกทัศนมาลาคันทวิเลปณะธารณ ะ, ะมันท ะ, นะวิภูสนถานา เวระมะนีศิกขาปะทังสาัมาธิยมินัตจกิตวาธิตวิสุกทัตสนะมาราคันทะวิเลปะณัาระนะมันระนะวิภูสนาธานา เวรมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิอุจจารสายนะมหส า, ายนาเวรมณีสิกขาปัทังสัมาทิยามิอุจจารสายนะมหสายนาเวรมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิอิมังอัถังคะสะมนาฆตัง พุทธบัญญตังอุโบสถังอิมันจระติงอิมันจะทิวสังสัมมาเทวะอภิระคิตุงสัมมาทิยามิข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานซึ่งอุโบสถศีลที่พระพุทธเจ้า ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วอันประกอบไปด้วยองค์แปดประการดังได้สมท า, านมาแล้วนี้เพื่อจะรับรักษาไว้ให้ดีไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลายสิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งณนะเวลาวันนี้ขอกุศลส่วนนี้ จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยแห่งทางพระนิพพานในปัจจุบันนักการอันใกล้นี้เธินอิมาณิอัตสิกาปทานิอัอเชกังรตินดิวังอุโปโสตศิราัเสนสซาทุกังรักิตาานิ าาสีเลนาสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนานิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาเจต่อนนี้ไปตั้งใจฟังหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังสักเล็กน้อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของพวกเราวันหนึ่งในพรรษา พวกเราได้พร้อมใจกันมาไหว้พระแล้วก็สมาทานสิลอุโบสถเราตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าจะรักษาสินอุโบสถในวันพระในพรรษาทุกวันพระเพราะว่าวันท่านเราจะรักษาวันคืนอื่นๆก่อนๆนอกพรรษาแล้วก็ไม่มี กฎเกณฑ์เราก็พยายามเอาใกล้ๆก่อนในระยะสามเดือน เ, เพียง12วันสี2อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพราะนั้นเราจะรักษาศีลอุโบสถในวันพระหรือรักษาคุณงามความดีในวันพระหรือเราจะรักษาสิ่งที่เราแก้ยากๆในตัวของเราวันในพรรษาเนี่ย แต่ก่อนนอกพรรษาเราก็พยายามแต่ว่าเราจึงแก้ไม่ตกไม่รู้จะเอาตรงไหนเราก็เลยมาขันขันเชือกหรือขันสนอใส่ต้นเสาสามเรือนเนี่ยข้าพเจ้าจะงดบุรีข้าพเจ้าจะงดเหล้าข้าพเจ้าจะงดการพนันข้าพเจ้าจะงดความโกรธข้าพเจ้าจะไหวพระทุกวัน ข้าพเจ้าจะทํานั่งภาวนาไม่ให้ขาดทุกวั น, นอย่างนี้เป็นต้นมันมากสุดแท้แต่พวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งกิตอธิษฐานตั้งใจมั่นว่าสามเดือนข้าจะประกอบคุณงามความดีอะไรแต่อย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะสิ่งที่มันไม่ดีอย่าตั้งสัจจะอธิษฐานนะทำความชั่วไปว่าล่ะมันชั่วจะแล้ว ทั้งตั้งใจเข้าไปอีกยิ่งเร็วไปอีกค่ะเพราะนั้นอย่าไปตั้งใจในสิ่งที่มันเร็วตั้งใจในสิ่งที่มันดีนะเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันนี้เป็นวันที่16กันยายนพุทธศักราช2005 157้ารอยห้าสิเเป็นวันพระแลมแปดข้าเดือนสิบเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้สมาทานศีลแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนา เ, เมื่อไม่นานมานี้มีคนเข้ามาหาหลวงพ่ อ, อทุกวันนี้มีมากหลากหลายในการในแนวความคิดเห็นในหลักของพระพุทธศาสนาก็เถอะนะมีทั้งมหายานมีทั้งเทระวาดมีทั้งอะไรต่อม่อะไรแต่ถึงยังไงเขาตามแต่หลวงพ่อเองอยากจะบอกกล่าวให้คณะสิทธิอนุสิ์ คณะสัตย์ทยาทยญาติโยมแต่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นนะไม่ได้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อใจแคบไม่ให้ใจแคบให้มองแบบม้าอินเดียป้องตาเอาไว้นะให้วงให้ดูแต่ถนนไม่ใช่แต่หลวงพ่อให้มองแต่ถึงยังไงให้ฟังให้ฟังอย่าถล่มบางทีอา จ, จะหลงออกนอกหลุดนอกทางไปก็ได้ เพราะฉะนั้นหลวงพ่ออีกส่วนหนึ่งถ้าหลวงพ่อไม่กำชับนะพวกเราอาจจะเดินเดินเป๋ไปก็ได้แต่ถึงยังไงก็ให้พวกเราฟังฟังแล้วก็เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพราะวิชาในโลกนี้มีมากมีมากหลากหลายวิชาธรรมะหาเลี้ยงชีพก็นับไม่ถ้วนวิชาทางพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน ถึงจะพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เถอะนะแต่ก็มีทั้ง 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์ตามวิธีกรรมฐานภาวนาเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ทั้ง40 40กรรมฐานกับ น, นอกเหนือจากนั้นไปอกีกนอกเหนือจากกรรมฐาน40ยังมีอกีกเพราะฉะนั้นพวกเราที่เมื่อวานวันก่อนที่หลวงพ่อได้พูดได้เจอนะี่ยก่นี่แหละคือพวกกลุ่ม ที่เข้ามากลวงพ่อก็ถามแบบธรรมดาเพราะว่าการแขกคนเข้ามาก็ต้องศึกษาไท่ถาม เ, าเขาขออธิบายอะไรให้ฟังแต่ลุงพ่อก็ฟังฟังแต่ลุงพ่ อ, อ, ม, อมันคนสรุปแล้วก็คือเหมือนกับที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์เราบอกว่าเหมือนตาบอดคำช้างนะพวกเราพูดง่ายๆตาบอดคำช้าง มีตาบอดห้าหคนไปนั่งกันไปสมกันอยู่ต้นมะกอกมะกอกที่เราเอามาใส่ใส่ตำตาส้มละกอนมะกอกอยู่ในป่ามันหน้านี่ะมันกำลังเป็นลูกเป็นพวนเป็นพวงดกนะแต่เนี่นก็ไปนั่งคุยกันไปนั่งคุยกันเอ๊ะช้างเนี่ยลักษณะอย่างไงคนหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะ ผมเคยไปจับดูช้างเน่ยเหมือนกับเสาบ้านพราะเหอะไรเพราะว่าคนเนี่ยไปลูบขาของมันเป็นเหมือนกับเสาบ้านเนี่แหละมือนกับเสาเรือนะกลมๆแบบนั้นแต่คนหนึ่งเถียงว่าไม่ใช่เอคนหนึ่งบอกว่าอผมไปคลำดูแล้วช้างเน่ยเหมือนกับฝาบ้านััคไปคลำสีข้างมันใช่ไหมล่ะเอไปคลำสีข้างช้างมเหมือนเหมือนกับฝาบ้านคนหนึ่งก็บอกไม่ใช่ อคนหนึ่งไปเห็นไปคำขณะที่ช้างมันนอนใช่ไหมไปนอนกับเหมือนกับกระด้งยังไปคำหูของมันใช่ไหมไปคำหูของมันช้างหนึ่งเหมือนกับกระด้งหนาวงันกระด้งฝัดข้าวนั่นนะะคนหนึ่งไปคำงวงของมันเเออไม่ใช่หรอกช้างหนึ่งมันดูดแล้วมันก็ต้นกล้วยนี่แหละกันมันขนาดนี่แหละต้นกล้วยนะออคนหนึ่งไปทําคำงาของมันใช่ไหม อไปเห็นช้างเนี่ยมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับท่อนไมไ้เนี่นะแข็งแข็งอ่ะยาวๆขนาดเท่าขาเนี่ยนะอคนหนึ่งไปคำหางของมันช้างน่ยเหมือนกับไม้กวาดเนี่ยนะไม้กวาดบ้านเนี่ยนะเหมือนกับฟอยไม้กวาดบ้านนะสรุปแล้วก็คือต่างคนก็ต่างเอาคนละมุมกันแต่มันก็ถูกทุกคนนั่นแหละอแต่ว่ามันคำคนละคนละทางกัน ่ผลที่สูดก็นนะตาบอดก็ถกเถียงกันอยู่ใต้ต้นมะกอกนะ่ยผลที่สูดมะกอกก็ลนใส่หัวตาตาบอดตาบอดอ้าวพูดเพียงแค่นี้ก็ต้องออลงหมัดลงมวยขนาดนี้แล้ยผนะลที่สุดตาบอดเลยต่อยกันเนี่โคนต้นมะกอกสารบวนสารบวนวุ่นวายอันนี้แหละนิทานเรื่องเครื่องเปรียบเทียบให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาคือผู้ที่รู้ ท่านก็รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนอันไหนเรื่องของพระสูตรอันไหนเรื่องของพระวินัยอันไหนเรื่องของพระปรมัตรธรรมพระสูตรก็คือเรื่องราวความเป็นมาแต่ละเรื่องพระวินัยคือกฎระเบียบที่อยู่ด้วยกันคือพระวินัยคือศิลศินและวินัยคือกฎหมายแต่ปรมัตรธรรมนันคือแนวความคิด คิดยังไงถึงจะถูกต้องคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็คือคือเราจับประเด็นหลักได้แล้วจากนั้นเราก็อธิบายอะไรต่อเนื่อหรือว่าเราจะทํำยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนแต่บางคนกับชุดตรงหน้าใดหน้าหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าเให้ยึดแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงปู่มั่น แนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราให้ศึกษาให้ทวนถีท้วนให้ศึกษาในแนวปฏิบัติของท่านสมถะเนี่ยท่านให้ทํำยังไงแต่ถึงยังไงหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็บอกว่าศีลอย่ามองข้ามนะอย่าไปมองข้ามเรื่องศีลถ้าว่าตัวของเราเป็นผู้ขาดศีลไม่มีศีลแล้วไม่มีศีลในตัวแล้วจะนั่งภาวนา จะทำจิตใจให้สงบเป็นไปไดย้ยากหลวงปู่มั้นท่านพูดอย่างนั้นศินนี่ก็คือเป็นเหมือนกับผงทุลีถ้าศสินอ า, อาบัตเล็กๆน้อยๆก็เหมือนบกผงทุลีผงทุลีมันเข้าตาเรานะเราก็ทําให้ตาฟ้าฟางได้อนนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราทําสิ่งที่มันไม่ดีผิดพินัยบ่อยๆก็ทําให้ใจของเราเศร้าหมองไม่ไม่ผ่องใส จิตใจไม่ปลอดโปร่งเพราะเหตุไรพาะว่าเราทำผิดวินัยบ่อยเพราะฉะนั้นศีลศีลและวินัยควรจะรักษาให้ให้ดีในเมื่อศีลและวินัยดีแล้วเราไปนั่งภาวนาใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายในเมื่อทำจิตใจสงบเป็นหนึ่งจิตใจสงบพอสมควรจากนั้นเราก็นำมาพิจารณาเดินทางวิปัสสนา ทาจิตใจให้สงบนั่นคือสมัติะแต่เมื่อเราพิจารณาเนี่ยวิวปัสสนาเราก็ควรจะเดินทางวิปัสสนาทั้งสมัติวิปัสสนาคิดยังไงจึงจะถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ที่ท่านสอนเราเจากนั้นเราก็ได้นำมาสมัติฐาแล้วก็เดินวิปัสสนาพิจารณา ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนท่านในพิจารณาร่างกายพิจารณาถึงอจุภะพิจารณาถึงธาตุสีดินน้ําลมไฟจากนั้นก็พิจารณาถึงใจใจคือตัวผู้รู้คือนามะธรรมนั่นแหละอันนี้ก็คือแนวแถวแต่ที่นี้เรามาพิจารณาดูแล้วว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหรือว่าหลวงปู่มั่นหรือหลวงตาก็าดีที่ ที่ท่านพาดาเนินมานท่านมีกฎเกณฑ์ของท่านแล้วก็พวกเราศึกษาดูแล้วปฏิปทาของท่านสวยงามถูกต้องเป็นธรรมอยู่ในเกณฑ์หลักธรรมพินัยเอาหลักพระธรรมพินัยออกมากลางเรสิก็มากับท่านเดินตามหลักธรรมพินัยจากนั้นในเมื่อท่านจุตินิพพานไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าใจของท่าน เป็นยังไงแต่เมื่อท่านจุตินิพพานไปแล้วกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตาประจักษ์ตาประจักษ์จกใจของพวกเราเพราะเหตุไรเพราะว่าอันนี้ก็คือในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านกลว่าผู้ใดที่จุตินิพพานไปแล้วกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุ นั่นแหละคือกระดูกของพระอรหันต์ท่านยืนยันอย่างนั้นแต่นี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เห็นเห็นจริงจัง เ, เห็นต่ำตาต่ำใจของพวกเราอันนี้แหละเราก็ควรจะยึดแนวแถวที่ท่านแนะนำสั่งสอนปฏิปทาของท่านสอนยังไงเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเพราะนั่นขอให้พวกเราลูกหลานทุกๆคนนะตั้งอกตั้งใจ ภาวนาและปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราจะได้ยาได้วันไหวก้อยแก่งหูดง่ายๆเพราะทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ของพวกเราเที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นทายาทของหลวงปู่มั่นท่านก็ล้มหายตายจากไปลุงพ่อหนึ่งวิตกกังวลเหมือนกันนะไจะว่าไปแล้ววิตกกังวลกับพวกรุ่น น้องๆรุ่นพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่ออาจจะคิดมากก็ได้นะหลวงพ่ออาจจะคิดมากก็ได้แต่ว่าพ่อหลวงพ่ออยู่ในจุดนี้ผู้ที่มาเกี่ยวข้องนะมากหลากหลายเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงวิตกกังวลเหมือนกันนะว่าถ้าหากว่ามีและเป็นลักษณะอย่างนี้นะ่ะพที่ไม่มีหลักไม่มีหลักจิตหลักใจที่มั่นคง ไม่มีหลั ก, กจิตหลักใจที่ยึดให้มั่นคงอาจจะเป๋ไปก็ได้นะเพราะเหตุไรเพราะว่า เ, าเหมือนกับเราไม่ได้เคยลิ้มรสพระธรรมแล้วก็มีคนมาพูดขึ้นมากันอ้างเหตุผลขึ้นมาเราอาจจะเป๋ไปก็ได้ อ, อย่างในครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันขนาดสุนักขัตตาะรับบาทของพระพุทธเจ้า ฟังเทศของพระพุทธเจา้าติดตามพระพุทธเจ้านะแต่พอศาสนาอื่นเข้ามาพูดเท่านั้นเองก็เลยเป๋ไปเลยต่อหน้าต่อ ต, อตาพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันเนะพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองถ้าจะว่ า, ท, าท่านก็ว่า ก, กรรมเหมือนกันนะกรรมกรรมของสรรพสัตว์ทั้ทงหลายถึงจะมาเจอของดีแล้วก็เป๋ไปข้างๆก็มีทั้งเยอะแยะอีกเหมือนกัน แต่ถึงยังไงอันนั้นกระสุดแท้แต่ของใครของเราเหมือนกันกรรมกกรรมของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงยังไงก็ตามการบอกกล่าวแนะนำเตือนกันไว้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเสียงไหนขึ้นมามาสู่จุดของพวกเราแล้ก็ให้ดูดู ด, ดูให้มีสติให้มีปัญญาให้มีความรอบคอบคิดไว้ดูไว้กันกรองไตรตรองไว้ มันเป็นธรรมไหมมันถูกต้องไหมเข้ากับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไหมเข้าขับหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้นําสั่งสอนไหมนี่แหละอันนี้แหละให้เราพุกลูกหลานก็นิสิตทายาติโยมทุกๆท่านนะที่หลวงพ่อผูกทางนี้ทางนั้นไม่ได้ไม่ได้จิตใจไม่แคบนะใจกว้างขวางแต่ให้มองรอบด้านรอบด้านรอบข้าง อย่าไปเชื่อง่ายจัดธรรมมีจริงอยู่แต่อย่าไปเชื่อง่ายให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความรอบขอบแล้วก็ศึกษาแต่ตาไม่จริงคนที่ไม่ได้รับการศึกษานี่แหละจุดนี้แหละพูดเขาพูดขึ้นมากับท่าหล่ำเข้าไปไปหน้าเดียวหลวงพ่อกลัวถึงยังไงหลวงพ่อได้พูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังเนี่ยนะ เงยไข่พวกเราเราท่านทั้งหลายให้เปิดเปิดใจขวังฟังกว้างฝังกว้างศึกษาให้ทีถ้วนที่จะเดินไปถึงจุดไหนอย่างไรอย่าไปคนหนึ่งพูดแล้วก็เป็นเสนาหมกขีกาเนี่ยเขาพูดยังไงก็เขาว่าเข็มก็เข็มเขาวัดจืดเขาจืด เ, เขาว่าขมก็ขมไปตามเขานะ่ะไม่ได้นะ เ, เราต้องเป็นตัวของตัวเป็นบางครั้งเราต้องศึกษาให้ดีนะ ตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร